ชายตัดไผ่กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายตัดไผ่คนหนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาของเขาที่กระท่อมเก่าหลังหนึ่งทุกๆเช้าเขาจะเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไผ่และนํากลับมาที่บ้านเขาและภรรยาจะนําไผ่ที่ได้ไปแปรรูปและนําไปขายในตลาด พวกเขาเป็นคนจนและไม่มีลูกแต่พวกเขาก็เป็นคู่ที่มีความสุขมากวันหนึ่งขณะที่กําลังตัดไผ่อยู่ในป่าเขาเห็นต้นไผ่รูปร่างแปลกประหลาดอยู่ตรงกลางต้นไผ่ต้นนั้นส่องสว่างเยี่ยงพระจันทร์ชายตัดไผ่ประหลาดใจมากเขาจึงค่อยๆตัดต้นไผ่เพื่อที่จะเปิดออกดูว่าข้างในมีอะไร และแล้วเขาก็ไม่เชื่อสายตาของตัวเองฮะเหมือนคือเด็กผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กอยู่ข้างในขนาดตัวเธอนั้นเล็กเท่าหัวนิ้วโป้งของชายตัดไผ่เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเขาตัดสินใจนำเธอกลับบ้านมาให้ภรรยาของเขา เขานำเด็กผู้หญิงมาวางบนมืออย่างระมัดระวังเขาระมัดระวังอย่างมากเพื่อไม่ให้เด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรไปมาเร็วเข้าที่รักมาดูสิว่าฉันเจออะไรเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ภรรยาของเขาฟังและค่อยๆเปิดมือของเขาออกทันใดนั้นบ้านก็สว่างไปหมดทั้งคู่ก็แปลกใจมาก เธอส่องแสงเหมือนพระจันทร์เราควรตั้งชื่อเธอว่าแสงจันทร์แสงจันทร์เธอสวยเหมือนแสงจันทร์ภรรยาของเขานำเสื้อผ้ามาใส่ให้กับแสงจันทร์ในขณะที่เธอกำลังชื่นชมแสงจันทร์นั้นลมก็พัดเข้ามาทางหน้าตา่างแสงจันทร์เกือบจะปลิวออกจากมือของเธอเธอพยายามจะจับแสงจันทร์ให้แน่นเท่าที่เธอจะทำได้ในที่สุดลมก็หยุดพัด เสื้อผ้าหลุดออกจากแสงจันทร์และทันใดนั้นแสงจันทร์จึงกลายเป็นเด็กทารกที่มีขนาดปกติ <c oughs> คู่สามีภรรยามองหน้ากันอย่างประหลาดใจ <c oughs> แสงจันทร์น้อยของเราโตมาเป็นเด็กเต็มตัวแล้วเหรอนี่เช้าวันต่อมาชายตัดไผ่เข้าไปในป่าเพื่อตัดไผ่าตามปกติ <c oughs> <c oughs> อยชายตัดไผ่และภรรยาของเขารู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของแจงจันทร์ที่นำความโชคดีมาให้แก่พวกเขาหลังจากวันนั้นทุกวันชายตัดไผ่จะกลับมาพร้อมกับถุงเงินถุงทองไม่นานนักพวกเขาก็ร่ำรวยขึ้น พวกเขาให้ทั้งอาหารและผ้าไหมที่แพงที่สุดแก่แสงจันหลายเดือนผ่านไปลูกสาวของเขาก็โตเร็วมากกว่าที่คิดในระยะเวลาอันสั้นแสงจันโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวยงามเส้นผมของเธอนั้นนุ่มสลวยยิ่งกว่าผ้าไหมแพงที่เธอสวมใส่ตาของเธอส่องสว่างเหมือนกับดวงดาวผิวของเธอนุ่มดังขนนกยิ้มของเธอ สว่างยิ่งกว่าพระจันทร์เธอน่าจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบนโลกใบนี้แต่ว่าชายตัดไผ่ก็ยังคงกังวลชาวบ้านเริ่มสงสัยกันว่าใครคือสาวสวยที่อยู่ในบ้านคืนหนึ่งขณะที่แสงจันทร์กาลังหลับชายตัดไผ่ได้พูดกับภรรยาฉันกังวลฉันบอกกับทุกคนว่าฉันเจอเธอในป่าคนเดียว และฉันนําเธอกลับมาบ้านเพื่อที่พวกเราจะได้ดูแลเธอแต่เธอโตมากแล้วตอนนี้พวกชาวบ้านพูดคุยเกี่ยวกับความงามของเธอฉันรู้ดีเราหนักไม่สามารถให้เธออยู่บ้านหลังนี้ได้ตลอดหรอกวันต่อมาชายตัดไผ่ได้พูดคุยกับลูกสาวของเขาเกี่ยวกับการแต่งงานว่ามีผู้ชายหลายคนที่ปรารถนาจะแต่งงานกับเธอไม่นะคะพ่อหนูเนะี่ยอยู่โดยไม่มีพ่อไม่ได้ ทำไมพ่อต้องไล่หนูออกจากบ้านด้วยล่ะคะโธลูกรักพ่อก็อยู่โดยไม่มีลูกไม่ได้เหมือนกันแต่พ่อก็ไม่สามารถให้ลูกอยู่บ้านหลังนี้ได้ตลอดพ่อรักลูกแต่ความรักสอนเราไม่ให้เห็นแก่ตัวพ่อต้องให้ลูกไปใช้ชีวิตของตัวเองพ่อจะไม่บังคับให้ลูกแต่งงานกับคนที่ลูกไม่ชอบยังน้อยลูกจะได้ออกไปพบคนที่อยากแต่งงานกับลูกแสงจันทร์รักพ่อของเธอ และไม่สามารถปฏิเสธคําขอได้วันต่อมามีชายห้าคนมารอเพื่อพบแสงจันทร์พวกเขาไม่สามารถละสายตาออกจากแสงจันทร์ได้แสงจันทร์มองพวกเขาโดยที่ไม่ยิ้มและพูดคุยกับพวกเขาโดยไม่มีความตื่นเต้นใดๆฉันอยากจะขอให้พวกคุณช่วยไปเอาของที่ฉันอยากจะได้มาในแต่ละที่หน่อยและฉันจะแต่งงานกับคนที่สามารถเอาของมาให้ฉันได้ตามที่ฉันขอเท่านั้น ฉันจะนำความมืดของดวงจันทร์มาให้เพียงแค่เธอพูดมาที่รักฉันจะพูดแค่สองคำกับนายออกไปหญิงงามไม่ต้องการความมืดของดวงจันทร์ฉันจะเอาดาวที่ส่องแสงมาให้กับเธอถ้าเธอขออย่าไปฟังพวกเขาเจ้าหญิงฉันจะนำไข่มุกที่ส่องแสงสว่างที่สุดมาให้เธอฉันไม่ได้ต้องการพระจันทร์ไข่มุกจากท้องทะเลหรือว่าดวงดาวใด ฉันแค่ต้องการเพียงในสิ่งที่ฉันขอพวกคุณเท่านั้นเธอขอให้ชายคนที่หนึ่งไปเอาถ้วยที่ทำจากหินจากพระที่อินเดียแต่ถ้วยนั้นต้องส่องสว่างมากมา ก, มากและมากกว่าฉันชายคนที่สองเธอขอให้เขานำกิ่งไม้ที่อยู่สูงที่สุดในทางตะวันออกของทะเลรากของมันทำด้วยเงิน ลำต้นทำด้วยทองกิ่งและผลงอกออกมาเป็นอั ญ, ญมณีและฉันต้องการกิ่งที่มาจากต้นจริงเท่านั้นอย่าไม่เคารพฉันด้วยการนำกิ่งปลอมมาให้ชายคนที่สามเธอขอให้เขาไปที่จีนเพื่อที่จะให้นำชุดสีแดงที่มีอยู่ในตำนานจีนมาให้ส่วนคนที่สี่เธออยากจะให้เขานำอั ญ, ญมณีจดสีที่อยู่เหนือหัวของมังกรและคนสุดท้าย Oh. กรบกวนคุณช่วยไปหาคนที่กลืนเปลือกหอยลงไปในท้องและนำเปลือกหอยนั้นมาให้กับฉันขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ทุกคนต้องท้ี่เธออานแยองททุกคนต้องทานหเอ้ต้องททหาย แสงจันรู้ดีว่าสิ่งที่ขอนั้นเป็นไปไม่ได้แต่วิธีนี้เป็นทางออกเดียวที่ทำให้เธอได้อยู่กับพ่อแม่ของเธอต่อหลายอาทิตย์ผ่านไปไม่มีชายใดกลับมาหาเธอชายตัดไั่บอกกับภรรยาของเขาว่าชายคนที่สองนั้นติดพายุอยู่กลางทะเลและไม่สามารถนำอะไรกลับมาได้เลยส่วนชายคนที่สามไม่เจอชุดสีแดงในตำนานและเจอสิ่งที่น่ากลัวเข้าแทน ชายคนที่4เน็ตเหนื่อยที่จะตามหามังกรเขาเดินเข้าไปในป่าท uh, ี step step ่มืดมนและน่ากลัวและได่ยอมแพ้ส่วนชายคนที่หพยายามทําในสิ่งที่เธอขอและยังคงพยายามต่อไปมีเพียงแค่คนเดียวที่กลับมาคือชายที่นําถ้วยที่ทรมาจากหินของอินเดียเขานําถ้วยที่ส่องสว่างมาให้กับเธอแต่มันก็ไม่ได้สว่างไปมากกว่าแสงจันทร์ อจะไม่มีใครบนโลกนี้แต่งงานกับลูกสาวเราได้เลยเหรออ้ท่านจากกักรพรรดิมาที่บ้านของเราโอ้ช่างเป็นบุญจริงๆฉันสิต้องเป็นฝ่ายคารับพวกท่านฉันมาเพื่อขอลูกสาวท่านแต่งงาน ฉันได้ยินคําขอต่างๆที่ลูกสาวท่านขอถ้าท่านอนุญาตฉันจะขอพบเธอและดูซิว่าเธออยากจะได้อะไรได้แน่นอนกรุณานั่งลงก่อนผมจะไปเรียกเธอมาจั ก, กรพัตรรอยังตื่นเต้นที่จะได้พบกับแสงจันทร์เมื่อแสงจันทร์เดินมาจั ก, กรพัทนั้นตกตะลึงในความงามของเธอและตัดสินใจแต่งงานทันที แต่แสงจันทร์มีอะไรจะบอกกับเขาโอ้ท่านผู้สูงศักดิ์ฉันรู้ดีว่าท่านสามารถให้ทุกอย่างที่ฉันขอได้ทั้งอั ญ, ญมณีของมังกรชุดแดงในตำนานก้านเงินก้านทองฉันรู้ว่าท่านน่ะสามารถหามันมาได้แต่มีเพียงอย่างเดียวที่ฉันอยากจะขอกับท่านดิโปรดช่วยเคารพคำขอของฉันที่ฉันไม่อยากจะแต่งงานกับท่าน และไม่ต้องถามได้ว่าทำไมใช่แล้วเธอพูดถูกฉันให้เธอได้ทุกอย่างจริงๆและถ้านี่คือคำขอของเธอฉันก็จะทำให้เธอแต่ว่าฉันขออะไรเธออย่างได้ไหมเธอคือผู้หญิงที่แข็งแรงฉันจะขอเป็นเพื่อนเธอได้ไหมจักรพัฒและแสงจันเป็นเพื่อนกันและพูดคุยกันบ่อยครั้ง ชายตัดไั่ไม่ให้ชายใดพบเธออีกเพราะเขาไม่ต้องการทำให้แสงจันโมโหคืนหนึ่งเขาเดินเข้าไปในห้องของแสงจันและเห็นเธอนั่งอยู่ที่หน้าตา่างเธอกำลังจ้องมองพระจันทร์และดวงดาวด้วยน้ําตาอาบแก้มโอ้แสงจันทำไมถึงร้องไห้ ล, ล่ะลูกมีอย่างหนึ่งในความฝันของหนูคะ่ะแต่หนูไม่เคยบอกพ่อเพราะหนูนะ่ะไม่อยากจะให้พ่อต้องกังวล หนูไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอะไรเหอรอโลกหนูน่ะฝันว่าหนูไดะถูกจับตัวไปด้วยคนของพระจันทร์และเมื่อคืนก็มีเสียงบอกว่าวันนั้นกําลังจะมาถึงในวันที่สิบห้าของเดือนนี้เขาจะมาจับตัวหนูไปและหนูไม่อยากไปจากพ่อชายตัดไผ่มองดูพระจันทร์และนี่เป็นครั้งแรก ที่เขาสังเกตเห็นได้ว่าพระจันทร์กำลังมืดลงเหมือนกับถูกขโมยแสงสว่างไปไม่มีผิดเขานั้นเป็นห่วงลูกสาวของเขาเขาจึงส่งสารไปหาจักรพรรดิให้ช่วยเหลือจักรพรรดิออกคำสั่งมาให้ใครหน้าไหนนำตัวแสงจันทร์ไปได้วันที่15เดือนนี้ฉันต้องการทหารสองพันคนอย่าให้ใครจับตัวแสงจันทร์ไปได้ วันที่สิบห้ามาถึงบ้านของแสงจันทร์ถูกล้อมรอบยศทหารจำนวนสองพันนายพร้อมธนูและจั ก, กรพัทยืนถือดาบเป็นผู้นำอยู่หน้าบ้านชายตัดไั่นำตัวแสงจันทร์ไปยังห้องใต้ดินส่วนแม่ของเธอโอบ ก, กอดเธอไว้ทุกคนพร้อมที่จะปกป้องเธอทันใดนั้นเองก็มีแสงสว่างจากบนท้องฟ้าออนั่นอะไร ฉันมองไม่เห็นเลยเวียนและหนายนางฟ้าต่างได้ลงมาจากท้องฟ้าและบินไป ร, บรอบๆพวกเขาเล่นดนตรีด้วยขลุย่ยเธอหลับตาลงและเดินไปตามจังหวะของดนตรีที่ได้ยินเธอเดินออกจากห้องใต้ดินทำให้พ่อแม่ของเธอต้องวิ่งตามนางฟ้าสัมผัสแสงจันทร์ด้วยปีกสีเงินที่เป็นประกายทาให้ชุดของแสงจันทร์นั้น กลายเป็นสีขาวสว่างสวยัยเธอลืมตาขึ้นและยิ้มอย่างแจ่มใสความกลัวของเธอนั้นได้จางหายไปเธอเดินไปหาพ่อแม่ของเธอและโอบ ก, กอดพวกเขาพ่อคะพ่อดูแลหนูมาด้วยดีตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้หนูต้องกลับไปกับคนของหนูเพื่อทำหน้าที่ของหนูต่อไปว่าไงนะพ่อไม่เข้าใจพระจันทร์มืดลง เพราะว่าลูกนะ่ะอยู่บนโลกนี้พระจันทร์จะไม่สมบูรณ์เลยหากไม่มีลูกเพราะว่าลูกนะ่ะคือแสงสว่างที่นำทางให้กับมนุษย์ในเวลาที่มืดมนลูกได้เดินทางมาไกลและลืมไปว่าตัเองนั้นเป็นใครตอนที่ลูกเหยียบบนโลกใบนี้ลูกเหนื่อยและสับสนนั่งอยู่ในกอไผ่จนกระทั่งพ่อมาหาลูกเจอแล้วลูกนะ่ะต้องไปแล้วหรอ ลูกจะคิดถึงเราไหมแม่คะลูกจะมาหาแม่ทุกคืนค่ะแม่จะเห็นลูกทุกครั้งยกเว้นในวันที่ไม่มีพระจันทร์บนท้องฟ้าอีกต่อไปส่วนท่านเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้ฉันต้องไปแล้วแสงจันทร์นั่งเกวียนและโบกมือลาทุกคนบนโลกเธอไม่เสียใจเลยเพราะเธอรู้ว่า เธอสามารถมองดูพวกเขาลงมาจากบนท้องฟ้าได้เบลได้พาเธอไปบนอย่างพระจันทร์ชายตัดไผ่ปาดน้ำตาและรอคอยแสงจันทร์กลับมาตลอดและเธอก็กลับมาพร้อมกับพระจันทร์เต็มดวงที่ฉายแสงแสงจันทร์นั้นส่องสว่างไปทั่วท้องฟ้าส่วนจักรพัทนั้นไม่คิดแต่งงานกับใครทุกคืนเขาจะจ้องมองพระจันทร์บนท้องฟ้าเป็นชั่วโมงพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้า ชายตัดไผ่เปลี่ยนบ้านหลังใหญ่เป็นกระท่อมเล็กๆ เ, เพียงเพื่อจะให้แสงจันทร์ลอดผ่านเข้ามาทางรูของหลังคาในเวลากลางคืนเท่านั้นชายตัดไผ่และภรรยาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขตลอดไปจบบริบูรณ์